ในช่วงคุยธรรมะที่เรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนั้นเราคุยสิ่งที่เป็นมงคล นะเช่นว่าเค้าด่ากันว่ากันในเวทีเงี้ยด่ากันว่ากันทางโทรทัศน์ได้ยินข่าวคนโกงคนฆ่าคน เราเห็นว่าธรรมะนี้เอ่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทําให้เจริญใช่มั้ยแม้ในอวัยวะเดียวเช่นตับอย่างนี้เป็นเซลล์อยู่ ในตัวเซลล์เองก็จะมีเป็นสารประกอบๆนะเป็นประเภทต่างๆโมเลกุลพวกนั้นนั้นก็จากอะตอมเป็นกับอิเล็กตรอนอันนี้ขอโทษด้วยไม่ใช่ วท. เอ่อวิชา ในธรรมชาตินี้ก็อยู่ในแทรกซึมอยู่ในทุกที่เลยและพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่แม้นั้นนั่นเองมัน นฤสสีมีอยู่ตลอดอยู่แล้วต่อให้พฤชาจะมาอุบัติอยู่ต่าง นั่นเป็นความมหัศจรรย์ที่มากล่ะนะแม้ในกระบวนการตรงนี้นั่นก็คือการทวนกระแสในกระบวนการตรง จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางติดต่อกันหลายปีเป็นไปทั่วทุกหัวระแหงเป็นไปอย่างทั่วทุกหย่อมย่าความเบี้ยเนี่ยนะทาง ในคอยเตือนคอยสอนคนที่ไม่ดีที่คิดว่าหรือว่าชักช้าอยู่นะเพราะว่าถ้าเราเผลอไปเกิดในสมัยที่มันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยโอ้เรา จิตของเราเนี่ยเป็นจิตประพัสสอนนะแต่ว่าเศร้าหมองเนี่ยๆละแล้วมันก็คือคนที่แย่แล้วก็ ว่ากิเลสที่เป็นคําสึกาจรมานั้นในขณะเดียวกันมันก็คลายจากความเศร้าหมองนั้นจิตเป็นประภัส นะคือคุณเสียแล้วคือคุณเสียเลยแม้แต่ในทางกลับกันพุทธเจ้าบอกว่าไงนะด้วยมรรค นะ, นะ, นะ, นะ, 8 ไงนะเราใช้ นะป้องกันไอ้เจ้าอิเรทที่มันๆแล้วมันเกิดมันเกิดใกล้ๆเรานี่แหละมัน นึกแต่จากภาษานั่นแหละมันกระทบลอจิกก็สร้างมันเป็นไปอย่างอื่นทําให้จิตนั้นมีธรรมชาติเศร้าหมองนั่นเอง อารมณ์เราก็ต้องไปอยู่ป่าฝาดงอยู่ลําบากลําบากกินๆตอนนี้เนี่ยใครยัง นะโดยการที่เราพยายามที่จะควบคุมจิตนั่น สองอย่างมันก็ดึงกันไป 2 อย่างมันก็ดึงกันไปนะบางทีใครดึงใครเนี่ย เรื่องคนนั้นคนนี้คนโน้ตนะเรื่องของตัวเองด้วยไอ้ดีอนาคต มันดันไม่คิดให้แก้ปัญหาที่แม่งมันยากๆปัญหาที่มันคิดไม่ออกสมองอะไรสั่งสมองอีกทีนึง คนทํางานก็ทํางานไม่สะดวกแต่ถ้าห้องทํางานมีอุปกรณ์มีอะไรต่างๆคนทํางานก็ทําได้เพราะฉะนั้นถ้าเผอ นะถ้ามันก็คือสั่งไม่ไปหรือบางทีเราต้องการไม่คิดฉันไม่อยากคิดเรื่องที่ฉันไม่พอใจเลยแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็คือๆก็ เป็นอย่างเงี้ยเราทําไมเราถึงไม่คิดไม่ได้นี่คือปัญหานี่คือปัญหาทําไมเราจิตเราสั่งไม่ไปนะเพราะฉะนั้นก็เพราะว่ามันเป็นมันมี ของเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอนดับเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอนมันมีสภาพไม่เที่ยงนั่นนั่นคือสภาพที่เป็น โดยสมมติสมบูรณ์เจ้าว่าเราไม่ควรเนี้ยเป็นฉันอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของฉันนะเรา <n> ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งไม่จุดใดก็จุดหนึ่งด้านใดก็ด้านหนึ่งไม่จุดใดก็จุดหนึ่งไม่กับใคร แต่เราเห็นสภาพของสิ่งที่เราทําเนี่ยสภาพของจิตเนี่ยตาม แล้วมันแม้มีอะไรหรอกที่มันจะจะไม่เปลี่ยน ก็ยังไงมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณไม่ยอมรับมันคุณก็โทษก็สิแต่แทนว่ายอมรับไม่ได้ นั่นเรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่มันเป็นเห็นมันตาม